ยี่สิบเจ็ในโรงแรมการมาถึงอูฮัสตินิซซี่ปริบิคุณมีห้องว่างไหมคะอูวาสยูสต์ว์ล์เ н ่หนู ดิฉันจองห้องแล้วค่ะดิฉันชื่อมิวเลอร์ค่ะมายูพรอสเวชเชมิวเดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะม n ปะทึบนี่ด้วยมีสี่นูมาร์ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ м ีปะทึบนี่ด้วยมีสองมีสี่นูมา ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะคุณกิการ์ตูนูมาร์นูนอชดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ําค่ะดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวคะ่ะดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ มาหูยาอาบัตริ๊นูมาร์ที่นี่มีโรงรถไหมคะที่ยูสต์ดฮาร์ชที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะที่ยูสต์ดเชฟที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะที่ยูสต์ดฟคคัคส์ดีดิฉันเอาห้องนี้คะ่ะ นี่กุญแจห้องค่ะวูส์คลิปชีมนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะวูส์มอยบาฮ์ชบริการอาหารเชา้ากี่โมงคะอายคุยหัวใจนี่สเน н ดเนี่ยบริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ บริการอาหารเย็นกี่โมงคะอ А ไรคุยกันเนี่ยเย็น